ต้องอัตตาเหียว น, น, นอนหนาวเถตอนที่พึ่งของตนพึ่งตนเอง ก, ก็ไม่เที่แค้แน่นอนแต่พึ่งตนเองนี้พึ่งได้ตลอดเพราะเราไม่มีวันตายเราตายมันก็ตายกันเราเราก็ไปกับมันคนอื่นถามว่าทำไม ไม่ให้ใครมาช่วยมไม่ช่วยที่เกียวมาทุกข์ด้วยเวลาเขาไม่มาเราจะทำยังไงถ้าเราทำเองไม่ได้ก็จบอันนี้ทำเองทุกอย่างแล้วสบายใจ ถ, ถ้าทำไม่ได้ก็ไปใจ เ, เราท่อยู่ด้วยกันตลอดเรา เป็นที่พึ่งของเราเองได้ส่วนของอื่นที่เราพึ่งพาอาศัยก็พึ่งได้เชื่อครางเชื่อคราวบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้แต่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะสิ่งที่เราพึ่งนั้นก็ไม่ได้มาแกปาแา้ปัญหาที่แท้จริงของเราปัญหาที่แท้จริงของเราอยู่ในใจเรา เราไม่มีใคยแก้ให้เราได้เราต้องแก้ด้วยตัวเรเองแต่เราอาจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกบ้างเช่นอาศัยร่างกายร่างกายก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่อาศัยยายารักษาโรคเครื่องนห่งน อาารนี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องมีถ้าเรายังพึ่งร่างกายเราก็ต้องพึ่งปัจจัยสถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายในการพัฒนาจิตใจในการทําบุญให้ทานในการรักษาสิ่ในการภาวนาเราก็ต้องใช้ร่างกาย แต่ถ้าเราภาวนาจนถึงขั้นที่เราตัดร่างกายได้ไหววางร่างกายได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับกับร่างกายร่างกายไม่มีเราก็ยังสามารถทําหน้าที่ของเราต่อไปได้เช่นถ้าเรายังไม่ยังไม่ถึงพระนิพพาน แต่เราเห็นขั้นพระอนาคามีแล้วตอนนั้นใจของเราก็จะไม่ทำใช้ร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือควาจริงส่วนใหญ่ที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนะใช้ไปนในทางของกิเลสตัณหาอยู่ใช้ไปนในทางกามวาคะกามาาตัณหา ถ้าเรายังมีการละตัณหาอยู่ภในใจมีตามาราคาอยู่ในใจเราก็ต้องมีร่างกายเพราะเรายังต้องการที่จะเสดสัมผัสกับรูปเสียงกิริยโทตถะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถเสดได้เราก็ต้องขว่คว้าหาร่างกายกลับมาเกิดใหม่ แค่ถ้าเราตัดการมตันหากับตัดการมราคะออกไปจากใจได้แล้วใจก็จะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโัมผัสเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกที่กายเป็นเครื่องมือชวยหารูปเสียงกลิ่นรสโัมผัเพราะั้นถ้าได้ไปถึงขั้นถ้าอนาคามีแล้วก็ ใจไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ใจยังต้องใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งต่อเพราะยังมีกิเกลสตัณหาส่วนละเอียดที่ยังติดอยู่ข้าทั้งข้างอยู่ภายในใจเช่นกาม拉อปราคะอรูปราคะม า, า, า, า, านะอุทัจจะ ลาวิชาอันนี้เป็นกิเลสตัณหาที่ละเอียดที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนที่มีภา ย, นยน <c oughs> ในจิตผี้ปฏิบัติเพื่อชำระสังโยชน์เบื้องบยที่มีอยภายในจิตนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือปานาคานี้ถ้าท่านตายไปก่อนที่ ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหนตท่านก็สามารถภาวนาต่อได้หลังจากที่ร่างกายของท่านดับไปแล้วใจของท่านไม่ได้ดับไม่ได้ดับไปกับร่างกายใจของท่านก็ทํางานต่อใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญาเพื่อที่จะมากําจัดรูปราคะ ความติดในรูปฌานอารูป ร, ราคาความติดในอรูปฌานอุทธจัจจะความความฟุง้งซ่านมานะความถือตัวและอวิชชาความหลงความไม่รู้ในพระอริยสัจสีที่มีอยู่ภายในจิตนั้น อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับจิตล้วนๆถ้าเรียกว่าจะดูจิตก็ดูเรื่องตอนนี้เพราะการนา่งกายนี้ไม่มีปัญหาแล้วตัดได้แล้วเอาอุปทานในขันห้าตัดได้แล้วอุปทานในในร่างกายในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาตัดได้แล้ว รู ป, ปราคะารู ป, ปราคะปุถัศจมานอาอวิชาไม่ได้รู ป, ปราคะก็คือความยินดีความติดอยู่กับรูปประชานติดของผู้ที่ได้ตัดการมาราคะไปแล้ว จะสงบละเอียดเท่ากับจิตที่เขาอยู่ในรูปประชานหรืออารูปประชานเวลาอยู่ในความสงบก็มีความสุขแต่เวลาออกจากรูปรูปประชานหรืออารูปประชานมาแล้วใจก็ยังมีความหงุดหงิดอยู่เนื่องจากยังมีมานะยังมี อาวิชาที่ยังประเล็กความทุกข์อันละเอียดอยู่ภายในใจถ้าไม่ใช้การจรวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาก็จะติดอยู่กับรูปรูปราคะอรูปปราคะเวลาไม่สบายใจก็กลับเข้าไปในรูปฌปาน กลับเข้าไปในอรูปฌปานแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรการเข้าในรูปฌานหรืออารูปฌานเป็นการหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวพอออกจากอารูปฌานหรือรูปฌาน ความคิดปรุงแต่ก็ยังคิดไปในทางมานะคิดไปในทางสมุทัยอยู่ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะก้าวหน้าต่อไปได้พอพิจารณาเพื่อหาวิธีกาจัดมานะความถือตัวอวิชชาการความไม่เห็น ทุกสมุติที่รู้นับทังละเอียดที่มีอยู่ในใจอยู่ในจิตสติปัญญาก็ต้องขุดคุ้ยค้นหาถ้าทำไปโดยไม่หยุดไม่ยัง้งก็ะจะเกิดอุท ธ, ธัจจะขึ้นมาเกิดความพุ้งสร้างขึ้นมาแต่เป็นความพุ้งสร้างที่ต่างกับอุท ธ, ธัจจะในนิวร์ ในมีโมนี้จะผุ้งสร้างเกี่ยวกับราบลดสลารเสิญเกี่ยวกับความสุขทางต า, งางหงจมุกยิ้นกายแต่อุทจจะในระดับของพระอนาคามีนี้เป็นความฟุ้งสร้างที่เกิดจากการวิเคราะห์วิจารณาด้วยปัญญาแบบเลยเถิดคือวิจารณาจน ไม่มีกำลังที่จะดับหรือตัดอิเลตอันละเอียดได้ถ้าจิตเริ่งเกิดความฟุ้งซ่านและพิจารณาไม่สังไม่เห็นความจริงไม่เห็นมานะไม่เห็นอวิชชาก็จำเป็นที่จะต้องหยุดพักกลับเข้าไปพักใน ในสมาธิในรูปประชามหรือเอารูปประชามแต่ไม่ได้พักเพื่อที่จะหลบหนีกิเลสแต่พักเพื่อเอาแรงพักผ่อนเหมือนกับเวลาไปทํางานเมื่อทํางานจนเหนื่อยแล้วไม่มีเรี้ยวไม่มีลาําำแล้วงานไม่ได้เป็นเป็นผลเพราะไม่มีไม่ได้รับการพักผ่อน ตอนนั้นก็ต้องหยุดงานไม่ชั่อคราวกลับมาพักผ่อนที่บ้านมาลับอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารหลับนอนพอได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมามีกำลังรำชาก็กลับไปทำงานต่อท่านทรงเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับเวลาคนตัดไม้ที่ตัดไม้ด้วยมี เวลาตัดไม่ๆหวกำลังมีมากมีคมตัดก็ตัดตั ด, ตดไม้ขาดได้อย่างรวดเร็วพอตัดไปนานๆเข้าแรงก็จะค่อยๆหมดไปความแหลมคมของมีดก็จะค่อยๆหมดไปจนไม่สามารถที่จะตัดไม้ให้ขาดได้ถึงตอนนั้นก็ต้องหยุดพักการ ตัดไม้ชั่วคราวหยุดพักไปหยุดพักไปรับประทานอาหารไปนอนเอากำลังไปรับมีดให้แหลมคมพอได้พักได้รับประทานอาหารได้รับมีดแล้วพอกลับมาตัดไม้ที่ตัดไม่ได้นั้นตัดเพียงครั้งสองครัง้งฟันเพียงครั้งสองครัง้ง ก็ไม้ก็จะขาดได้ดังนนการพิจารณามานะพิจารณาอวิชชาก็จาเป็นจะต้องมีการพิจารณาสลับกับการพักอยู่ในสมาธิถ้าพักอยู่ในสมาธิเพื่อออกมาพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการติดในสมาธิการติดในสมาธินี้เป็น เป็นเป็นการเวลาออกมาจากสมาธิแล้วมาพบความวุ่นวุ่นวายใจก็หลบความวุ่นวายใจเข้าไปหลบอยู่ในสมาธิอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาเวลาออกจากสมาธิแล้วถ้าจิตมีความวุ่นวายกับกิเลสเช่น มานะหรืออวิชชาตอนนั้นถ้าใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเรียกว่าไม่ติดในสมาธิแต่ถ้าพิจารณาแล้วยังไม่สามารถที่จะตัดมาณนะตัดอวิชชาได้แล้วรู้สึกว่ามันกำลังยังไม่พอตอนนั้นก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก่อน กลับเข้าไปพักในสมาธิพอออกจากสมาธิมาแล้วก็กลับมาพิจารณาหม่พิจารณาเรื่องของมานะหม่อพิจารณาเรื่องของอวิชชาหน่จนกว่าที่จะตัดได้เมื่อเช่นนั้นก็จะเกิดบุ ธ, ธัจจะขึ้นมาพิจารณาแบบไม่หลับไม่นอนเป็นเป็นวันเป็นคืนตอนนั้น เพลิดเนเผอไปกับการพิจารณาจนลืมคิดถึงความสำคัญของการพักผ่อนของจิตคือการเข้าในสมาธินี่คือเรื่องของการพึ่งตนเองการปฏิบัตินี้เราต้องพึ่งตนเองตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึง วาระสุดท้ายพอจิตได้ทำลายพอสติปัญญาได้ทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปแล้วตอนนั้นก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปไม่มีปัญหาที่จะต้องใช้อะไรเป็นที่พึ่งที่เราพึ่งก็พึ่งเพื่อ มาแก้ปัญหานี้ทำนั้นเองปัญหาก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากปัญหาความอยากต่างๆเราต้องพึ่งธรรมะต้องพึ่งมรรคแบบต้องพึ่งทานสิงภาวนาะต้องพึ่งสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจ พอความทุกข์ใจได้ถูกทำลายจนหมดซึ่งไปแล้วใจก็ไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีปัญหาที่จะต้องแก้เมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องพึ่งอะไรอยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่มีปัญหาไปตล อ, อดนักปฏิบัติจึงถูกสอนให้ฝึก ให้พึ่งตนเองให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนคือการดูแลรักษาอัตภาพของร่างกายและการภาวนาคือต้องเป็นผู้ชํนาะจิตต้องภาวนาด้วยตนเองแต่ ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเวลาปฏิบัติจึงมีที่พึ่งสองสอง ส, ส่วนด้วยกันคืออัตตาหิอัตนโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนตอนต้องเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เป็นที่นาทางเป็นผู้นำทางเป็นแผนที่ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนเป็นแผนที่เป็นผู้นำทางก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุนักพรหมที่ผ่านได้เพราะสติปัญญาของปุถุชนนี้จะไม่มีความสามารถพอที่จะ ปฏิบัติถึงมากผลที่ผ่านได้โดยไม่มีธรรมะธรรมสอนเป็นผู้นำทางไปยกเว้นพระโอทิศักดิ์เท่านั้นที่มีสติปัญญาบา ร, รมีพอที่จะสามารถผลักดันตนเองค้นให้ค้นหาทางสู่การหลุดพ้นจากความการเวียนว่ายตายเกิดได้ผลักดันให้ไปสู่ พระนิพพานได้บุคคลต้องบุคคลนั้นต้องเป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจต่อการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการคือทานบารมีศีลบารมีเนื้ขังนบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมี วิริยะบารเมีและขันติบารเมี mm hmm. เปิดามาทุกภพกทุกชาติจะไม่สนใจกับการสร้างราบรื่สละเสริญ ส, สร้างความสขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะงุ่งไปสู่การสร้างบารเมเพียงอย่างเดียวจะหมั่นทาทานรักษาศีลภาวนา ออกบวนนือศีลบวนถือเนตธรรมะสร้างเนธรรมะบารมีบารมีต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้เป็นพระโพธิสัตว์ะเป็นผู้ที่สามารถารู้ตัสรู้พระอริยสัจศีขึ้นมาได้ด้วยตนเองลากยังเกิดมายังแสวงหาราบยศสารเสริญ าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะไม่มีปัญญาบาลไม่มีบาลีพอที่จะเข้าสู่พานิพานได้ด้วยตนเองก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปก่อนพอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปก็เหมือนกับมีคนสร้างถนนมีสร้างทางให้เดินแล้วถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาส ไปถึงเพราะไดผ่านได้อย่างง่ายดายเพราะมีทางเดินแล้วมีแผนที่แล้วเพียงแต่เดินไปตามทางเดินเดินไปตาม ท, ท, ทางแผนทางแผนที่เทนั้นเดี๋ยวก็ถึงแล้วแต่ถ้าไม่มีทางเดินไม่มีแผนที่ถ้าไม่เป็นพระภูติศาตร์จะไม่มีปัญญาพอที่จะสร้างทางเดินเขียนแผนที่ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ต้องเป็นบุคคลระดับพระโพธิสัตว์นะถ้าอยากจะรู้ว่าเรากําลังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หรือเปล่าก็ถามใจเลยว่าเราใจเรามุ่งไปทางไหนถ้าเราอย่ามุ่งไปนทางการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้รู้เถิดว่าเราไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์นี้ เราจะมุ่งไปทางการสร้างบรารมีเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องอยู่ในฐานะที่เราไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายเช่นหมคเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีเกิดเป็นลูกของมหาเศษรษฐีลูกของผ้ามหากษัตริย์หรือเป็นผ้ามหากษัตริย์อย่างนี้ก็จะน้าไม่สนใจต่อการที่จ ะ, ะเป็นมหากษัตริย์ ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือว่าให้งานกว่าเดิมจะใช้เวลาของการเป็นอาคัสสัมามาเสถีมาในการสร้างบาลมีเพราะว่าเมื่อจาเป็นที่จะต้องไปทำมาหากินเมื่อจาเป็นจะต้องไปหาราบยกเสริญเสริญหาความสุขทางต า, ตาหูจมูกลิ้นกายจะมาหาความสุขจาก การสร้างบารมีเช่นทานบารมีเช่นปัจจุบันนี้ก็มีตัวอย่างไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแต่เขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วมีเงินเป็นหลายหมืนล้านเหนเขาก็เอาเงินส่วนใหญ่นี้มาตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็เอาเงินในมูลนิธินี้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือคนยากคนจนในเทวีที่ได้ในการพัฒนาเพื่อให้ชีวิตของคนในทวีนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีน้ำดื่มที่สะอาดมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ตอนเอง ไม่มีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองไปกับการหาราบยศสละเสญหาความสุขทางตาหงจมูกมืนกายอย่างนั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ย่ในในปัจจุบันนี้ก็ในประเทศเราก็อาจจะยกในหลวงเราเป็นตัวอย่าง ที่ทรงมุ่งไปในการช่วยเประชาชานราษนรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาลทรงไปหาแหล่งน้ำหาวิชาหาวิธีให้ชาวบ้านคนายากจนมีมีเครื่องมือในการทรมาหากินให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม นี่คือลักษณะของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญตนบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเยงแต่ว่าไม่ควรจะมาเป็มบำเพ็ญตอนที่ยังมีพระพุทธศาสนาเพราะถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วควรจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะว่ามีทางเดินแด้ เราไม่ต้องม า, าหาทางด้วยตัวของเราเองเพราะอาจจะยังไม่สามารถหาให้เสร็จได้ภายในชาตินี้ก็ะด้อาจจะต้องบาเพ็ญบารมีต่อไปอีกหลายพบกหลายชาติด้วยกันตอนนี้มีทางเดินแล้วเราไม่ต้องไปทําทางของเราเองแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาทางด้วยตัวเราเองแล้ว เพียงแต่ให้เราเดินตางทางที่ทุกข์เจ้าส่งให้เดินเท่านั้นเช่นตอนนี้เรามีสมบัติข้าวของเงินทองเท่าไหร่เราก็จะละไปให้หมดบริจาคไปให้หมดแล้วก็ออกบวชออกมารักษาสิงออกมาภาวนาเลยอยากไปเสียเวลากับการสร้างทานบามี เพียงอย่างเดียวเราต้องมาสร้างสิ่บารณีสร้างฟัญญาบารมีอุเบกขาบารมีด้วยการออกบวช ด, ด้วยการภาวนาอันนี้ถึงจะถึงจะทำให้เราสามารถดุพนสามารถทำให้เราบรรลุได้ภายในชาตินี้เลยเจ็ดปีเป็นอย่างมาก เจ็ดวันเป็นอย่างน้อยขึ้นอยู่กับอินทรีย์ขึ้นอยู่กับพระหา้าคือขึ้นอยู่กับศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากภายในเจ็ดวันหรือท่านในสมัยพระพุทธการภายในขณะที่ฟังเทศน์ไป ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็บรรลุได้เลยเช่นพระอาญยางโกนธัญญะฝังครั้ ง, งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เลยแสดงว่ามีภาวะห้าที่แก่ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แก่ก็พอและยีนได้ฟังเกี่ยวกับพระอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธนะ ท่านั้นก็มีดองตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ายึดติดกับสิ่งที่มีการเกิดขึ้นและดับไปไม่อยากให้ดับไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นความทุกข์ก็เกิดจากความอยากที่ไม่ให้สิ่งที่จะดับต้องดับนั้น ที่สิ่งที่ต้องดับไม่ให้ดับไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอมีปัญญาเห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้สิ่งที่เกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาอยากไม่ได้พอยอมทั้งนั้นพอหยุดความอยากทั้งนั้นยอับความจริงทนั้นความทุกข์ก็ดับไปนี่โรคก็ะปากดึนมานี่โรคก็คือความดับทุกข์ เราโวดาบันนี้จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่คือเรื่องของการเป็นที่พึ่งของตนเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องของการบรรลุนักปณิธานภายในชาตินี้ ถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จําเป็นจะต้องบําเพ็ญการลมีไปเพียงอย่างเดียวพร้อมไม่รู้ว่าจะต้องบําเพ็ญอะไรมากน้อยเพียงไรอยู่ในสถานะภาพใดที่เอื้อต่อการบําเพ็ญมารมีแบบไหนก็บําเพ็ญไปเช่นเป็นมหาเศรษฐีก็บําเพ็ญทานมารมีไป ถ้าไปอยู่ในสังคมของนักบวชก็บูชไปรักษาศีลไปถ้าไปเดือดร้อนตกทุกข์ละกรมลาบากลอยคอยอยู่ในทะเลต้องว่ายน้ำอย่างเดียวก็บำเพ็ญวิริยะบารมีไปอันนี้แล้วแต่สถานภาพแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตนจะเป็นตัวบ่งบอกว่าชาตินั้นจะบำเพ็ญบารมีแบบไหน อยู u, ể, ่ถ้าไปเกิดไปอยู่กับสังคมที่มีการขัดแย้งกันไม่เห็นกันก็ต้องบําเพ็ญขันติบาลมีไปเขาไม่เห็นกับการกระทำของเราเขาอยากจะให้เราทําอย่างนี้อย่างนี้เราทำไม่ได้ก็โดนเข้าด่าโดนเขาว่าโดนเขากั่นแกล้งต่างๆนานาตอนนั้นก็ต้องบําเพ็ญขันติบาลมีไปแต่บาลมีเหล่านี้มันก็ ก็บ er mm ําเพญได้อย่างน้อย so ่างนิดอย่างน้อยหน่อยจนกว่าจะได้บําเพญครบทั้งสิบบาลีพอบําเพนทั้งครบทั้งสิบบาลีก็พร้อมที่จะตัดสรุปพร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่มาเกิดเป็นพระราชาโอรสที่ทรงมีพระพลังีพร้อมทุก ทั้งสิบประการแล้วก็รอเวลาที่เหตุการณ์ที่จะ บ, บังคับให้สเสด็จออกจากพระราชวังไปพอได้ทราบข่าวว่าจะมีพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมาก็าส่งเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นเลยพอ ร, รู้ว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามีหลวงมาคองขอแล้วถ้า ถ้าอยู่ก็จะถูกห่วงคล้องคอทาให้ไม่สามารถออกไปบาเพ็ญเพื่อตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำหรับพระพุทธเจ้านี้ต้องบางเพ็ญบารมีมาอย่างแก่กล้าอย่างโชคชนจนถึงวาระสุดท้ายคือถึงเหตุการณ์ที่บังคับให้ต้องออกบวช พอออกบวชแล้วที่ต้องออกบวชก็เพราะนอกจากมีพระราชนิพนแล้ก็ยังมีเทวทูตสี่มาสะกิดใจเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชนี่คือปัจจัยที่บังคับหรือต้อนให้พระพุทธเจ้าต้องออกไปบําเพ็ญเพื่อให้ตัดสลายเป็นพระพุทธเจ้าเกิด ยาพราะองค์ก็ได้ส่งบำเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างโชคโชนแล้วจะมีพลังที่จะก้าวไปสู่การตัดสุได้พวกเราถ้ามาเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็คงจะต้องบำเพ็ญบารมีไปตามสภาวะของเราเราอยู่ในสภาพแบบไหน ที่ถูกบังคับให้เราบำเพ็ญบารมีแบบไหนเราก็จะบำเพ็ญบารมีแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าบารมีทั้งสิบประการนี้จะเต็มร้อยหรือเต็มหรือพอก็ต่อการตัดสรุ้เราก็จะตัดสรุ้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าได้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแบบที่อบรมสั่งสงอนปัต ผู้อื่นหรือไม่นั่นก็ขึ้นอยู่ับสภาวะแวดล้อมของสังคมในยุคนั้นและความสามารถของตัวเราเองว่าเรามีความสามารถพอที่จะประกาศพระศาสนาได้หรือไม่บางท่านเห็นว่าภาวะของสังคมไม่เอื้อต่อการประกาศพระศาสนา หรือว่าพราะองค์ทรงเห็นว่าไม่มีกําลังพอที่จะประกาศพระศาสนาได้พระองค์ก็จะไม่ประกาศก็จะเป็นพระประเจกจพระพุทธเจ้าไปแต่ถ้าพราะองค์ทรงเห็นว่ า, าสังคมเอื้ อ, เอต่อการประกาศพระพุทธศาสนาพราะองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในการประกาศพระาศาสนาพระองค์ก็จะประกาศพระาศาสนา พระพุทธเจ้าของพวกเราคือเจ้าชายสิทธัตถะหรือส ม, มณะโคตมะตอนที่ท่านตัดสรุใหม่ๆท่านก็ไม่มีความปรารถนาที่จะประกะาศะศาสนาให้แก่สัตว์โลกแต่หลังจากที่ได้ทรงพินิพิจารณาก็ทรงเห็นว่ามีสัตว์โลกบางกลุ่มบางพวก ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับคำสอนได้ทรงแบ่งแยกสัตว์โลกไว้เป็นเป็นสี่กลุ่มด้วยกันเหมือนพวกเหมือนบัวสี่ดากลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นวัวเหนือนา้าพวกนี้เพียงแต่รอให้แสงสว่างของพระอาทิตย์ท้านั้นบัวก็จะบานออกมา ทั้งนี้ก็เหมือนกับพวกที่เป็นนักมวชพวกที่ได้ได้ศีลแล้วได้สมาธิแล้วแต่ไม่รู้จักอริยสัจสี่พอทรงแสดงพระอริยสัจสีเท่านั้นเขาก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่อยู่ปริ่นน้ําต้องรออีกวันสองวันถึงจะโผ่เหนือน้ําขึ้นมา พวนี้ก็เป็นหมือพวกนักบวชที่ยังไม่ได้สมาธิกําลังบําเพ็ญเจริญจสติอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาได้บ้างไม่ได้บ้างยังไม่ได้เป็นที่แต่ําเพ็ญไดเรื่ ย, รยไม่นานพอเก็บดวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต้มที่แล้วทีนี้พอพิจารณาอาริยสัจสีพิจารณาต่ยแล้ว พิจารณาอสุภะก็จะตัดกิเลสได้ตัดก า, มารมัตตานาภาวะตานาวิภาวะตานาได้ตรงนี้ก็เป็นพวกที่สองที่ที่มีโอกาสที่จะหยุดพ้นได้ภายในชาตินี้พวกที่สามก็คือพวกที่ยังไม่รวยกันพวกที่ชอบทาทานแต่ยังไม่ชอบรักษาศีลแปด ยังไม่ชอบปีกพื้เวกยังไม่ชอบไปอยู่ตามลาพังตามสถานที่สงบสงัดยังติดอยู่กับราบยศสรรเสริญยังติดอยู่กับเรื่องเสียงเกลื่อนรถโพธะพระพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาบาเพ็ญไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าจะขยันหรือขี้เกียจถ้าขยันก็อาจจะหลุดได้ในชาตนี้ถ้าไม่ขยันก็อาจจะเท่า สะสมบารามีไปก่อนพวกที่สี่ก็คือพวกที่ไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยใครพูดใครชวนมาวันนี่จะร้อมกิดขึ้นมาเลย อ, อย่าชวนถ้าชวนให้ไปเที่ยวนี่ไปทันทีแต่ถ้าชวนให้มาวัดมาปิดขี้เม่มานั่งสมาธิมายุกหนพอพองหนอแน่ว ไม่เอาไม่เอาพวกนี้ก็เป็นพวกที่จะไม่มีวนันที่จะได้เห็นแสงสว่างแห่งธรรมเป็นดอกบัว ก, ก็เป็นพวกที่อยู่กับโคนกับตนที่จะกลายเป็นอาหารของปูของป่าไปบัวชนิดที่สี่นี้จะไม่มีวนันโผลเนือน้ำขึ้นมาแล้วบานได้ หลังจากได้พิจารณาเห็นความความแตกต่างของของมนุษย์ทั้งหลายก็เลย ม, มีมีพระไทยมีกำลังใจที่จะประกาศเร่งเตือนทองคิดว่าเหมือนกันหมดคงจะชอบลูกเสียงเกิรีรนอดชอบราบรอดสรรเสริญพวกนี้สอนอยังไงก็คงจะไม่มีทางแต่หลังจากมา พ, พิจิตรพิจารณาก็ยังเห็นว่ามีนัก บ, บวช นักบวที่มีชมีฌาน ม, มีสมาธินักบวชที่กำลังเจริญสติเดินจนกลอมนั่งสมาธิอยู่หรือปุทุชนคาว่าที่เข้าวัดมันเข้าวัดทำบุญทำทานรักษาศีลในวันพระอยู่ก็ทรงเห็นว่าเป็นกลุ่มที่สามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนได้ก็เไยมุ่งไปสู่ วัวทั้งสามกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มแรกกลุ่มที่อยู่เห น, นือนามแล้วก็จะเป็นพวกนักบวชที่ส่งไปสอนตามสำนักของนักบวชต่างๆหลังจากที่สอนน้อยพระปัญจวาคัคคีที่เป็นสาวก ท, ที่เคยติดตามอุปถัมภ์อุปถัมมาตลอดได้รรลเป็นพระอาหานต์แล้วก็ส่งไปสอนตามสำนักของนักบวชต่างๆ สอนในแต่ละทรั้งนัก บ, บวชในสำนักนั้นๆก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาต่างพร้อมกันหมดเลยเช่นมีนัก บ, บวชอยู่สำนันานึงมีจำนวนห้าร้อยูปพอฟังธรรมเสร็จแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อรูปเลยภายในเวลาเพียงเจดเดือนคือนับตั้งแต่วันแรกที่ทรงประกาศพระศาสนาคือในวันเพ็ญเดือน8วันมาสาหบูชามาถึงวันมาคบูชา ใช้เวลาเป็นเวลาเจ็ดเดือน mm hmm. ก็ปรากฏมีพระอรหารอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปได้กันได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิศต่างๆโดยที่ไม่ได้นั่นหมายกันมาก่อนนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าของเรานี้มีปรากฏเพียงท่านตอนที่หลังจากมีพระพุทธเจ้าจัดสรุปแล้วเท่านน ตอหน้านั้นไม่มีพระอาหารหนันต์แมแต่นิ้วเดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ความสำคัญของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทางลัดที่สุดไม่มีทางไหนที่จะลัดเท่ากับทางที่พระเจ้าได้ทรง นำมาสั่งสอนดังนั้นถ้าได้พบกับพระ พ, พุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นลาภอันลนาภอั น, นยิ่งใหญ่เป็นโชคอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งคิดดูว่าการถูกลอตเตรอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ละครั้งนี่มันง่ายไหมและถ้าต้องถูก ต้องร้อยครั้งพันครั้งนี้มันจะยากขนาดไหนการได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากถ้าผู้ใดได้พบก็ถือว่าเป็นผู้มีโชคอันมหาศาลยึงไม่ควรที่จะโยนโชคอันมหาศาลนี้ลงถังขยะไปควรที่จะรีบเอามาทำประโยชน์ให้กับตัวเรา ถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็ไปขึ้นนะขึ้นรางวัลเลยอย่าโยนทิ้งถังกระยาไปฉันใดพอได้พกคำสอนยุิธรราแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือปฏิบัติตามนี่คือการขึ้นรางวัลขึ้นรับโชคอันมหาศาลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยการปฏิบัติทานสิ่งภาวนานี่เองถ้าปฏิบัติได้ อย่างที่ได้ทรงนับประกันไว้แล้วว่าเจ็ดล้นเป็นอย่างน้อยเจ็ดปีเป็นอย่างมากจะต้องได้อย่างน้อยถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระ อ, อนาคามีดังนั้นขอให้พวกเราอย่าปล่อยโชค ว, วาสนาอันยิ่งใหญ่นี้ให้หลุดมือจากเราไปขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตามคําสอนทั้งสาร ข้อนี้ให้ได้ให้พบทุกประการแล้วผลอันเลื่อันประเสริฐก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนบางคนมาหาพระมหาวัดแทนที่จะมาหาธรรมะก็มาหาลาบเยอะกันเราขอลาบขอยอะกัน อยากได้ตำแหน่งนั้นอยากได้ตำแหน่งนี้อยากเข้ามาหาวิทยาอะไรอยากทํ า, าทการค่าให้สําเร็จเรื่งเนี้ยอยากฆ่าบอลใส่เจริญก้าวหน้ารุ่งเนี้ย น, นี่นคือพวกที่ยังไม่รู้ว่าศาสนามีไว้เพื่ออะไรเข้าหาศาสนา ก, ก็เข้าหาธรรมะเข้าหาแสงสว่าง เข้าหาแผนที่อยากไะได้แผนที่นำพาให้เราไปสู่การพ้นทุกข์หาพระห้าหาวัดหาวาต้องหาอย่างนี้นหาธรรมะเพียงอย่างเดียว การพูดถึงเรื่องของการพิจารณาที่ไม่หยุดไม่หยอ่อนข้ามวัข้างมคยนโดยไม่ดูกําลังตัวเองนะครับเมื่กําลังมันตกไปแล้วเนี่ยถ้ายังคงพิจารณ า, อ ย, าอย่างนั้นอยู่เนี่ยคนไม่จะเป็นเช่นไรครับอาจไม่มีผลเนหะมือนกัเนเลยพิจารณาไปก็ก็ไม่เหมือนกับทํางานแล้วมันไม่ได้ผลนะก็ไม่ได้ผล น, นั่นเองแล้วจะเป็นวิปัสสุทธะแล้วอ่า อันนี้มันมันไม่เกี่ยวมันวิปัสสนานี่มันไปหลงคิดว่าตัวองสำเร็จแล้วไม่ต้องภาวนาแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วุคือหมายความวอากันพินารณั้นอาจจะไม่ได้ความจริงแสดงความเป็นจริงนะอาจารยครับคืออาจจะ อ, อาจจะได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปคิดว่าตัวเองได้ระดับหนึ่ ง, งที่บางทีได้สมาธินี่ก็คิดว่าบรรลุแล้วก็ได้เวลาจิตสงบนี่มันก็เหมือนเป็นพานธุทางขึ้น แต่ว่าเป็นท่านิพพานชั่วกราวพอจากสมาธิมามความสงบนั้นหายไปแต่สัญญาความจํายังติดอยู่กับความสงบนั้นอย่างคี่ว่าตนยังมีความสงบอยู่ทั้งที่ในขณะปัจจุบันตนมีวางพุ้นสร้างตำลักดกำลังเกรดอยู่แต่ก็ยังคิดอยู่กับติดอยู่กับความสงบที่เคยได้รับในในสมาธินั้นคิดว่าตนยังมีความสงบอยู่แต่ทการทั้งที่เลย ปัจจุบันตองกำลังโกรธกำลังปกดียดงำลังรอดกำลังอยากอยู่มองไม่เห็นอันนี้ถึงี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนมหลงความจริงมองไม่เห็นความจริงโดยนั่นสมาธิแล้วจิตสงบหรืรอว่านั่งแล้วเห็นนั่นเห็นนี่คิดว่าตรงเป็นนั่นเป็นนี่ไปแล้วนั่งไปแล้วแต่ความหมายว่าตอนได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว อันนี้ถึงจะเรียกว่าวิปสัสสนารามหนงผิด น, นี้ผิดเป็นชอบแต่วุทัจน์นี้มันเป็นการทำงานแบบเลยเถิดเท่ทน้เองการพิจารณาปัญญาหรือจารเจริญวิปสัสสนภาภาวนาแบบเลยเถิดไม่มีการพัพผ่อนทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลมีดมันถื่อแล้วต้องหยุดแล้วกลับมารับมีดก่อนจิต สติปัญญานี้ก็ต้องพักจิตตัวสังขารที่เป็นตัวทางา น, นทางทางปัญญานี้ถ้าพิจารณามากๆมันก็ตื้อแล้วไม่เป็นเหตุไม่เป็นผ ล, ลนะเนาะกำลังของความสงบที่จะตัดกิเลสอันละเอียดนั้นก็หมดกําลังก็ต้องกลับไปชาร์จแบตเตอรี่มเหมือนโทรศัพท์มือถือใช้พื่อบ่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมด หมดมันก็พูดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรเสียหายเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถทําประโยชน์ได้เขาต้องเอาดันประชารก่อนพอชาร์มีไฟเต็มแล้วทีนี้ก็กลับมาคุยกันได้คุยธุรกรรมตกลงกันอะไรก็ตกลงกันได้ได้ผลตามที่ต้องการหลวงพ่อครับหลวงพ่อพูดถึงรูปปัญชาทู่ปบัญชา ถามว่าถ้าเนี่มันต่างกับสมาธิยังไงไม่ต่างกันรับต่างกันรัชื่อทั้งนี้เองแล้วลูปกับกรลูกฝาดีความสงบของของสมาธิของจิตนี่มันมีหลายระดับเหมือนกับเหมือนกับรถยนต์ที่มีเกียร์หลายเกียร์เกียร์หนึ่งนี้ก็จะมีความเร็วในระดับหนึ่งเกียร์สองก็จะมีความเร็วในระดับหนึ่ง ชั้นช้นหนึ่งก็มีความสงบในระดับหนี้งชั้นสองก็มีความสงบอีกระดับหนึ่งมันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเกียร์รถหน่์เช่นเราเข้าเกียร์หนงนี่วิ่งได้อย่ามากก็หกสิบกิโลมันก็ต้องเปลี่ยนเกียร์มันจะไปเร็วกว่านั้นไม่ได้พอเราเข้าเกียร์สองมันก็ไปถึงร้อยหนึ่งพอเข้าเกียร์สามมันก็ไปถึงร้อยยี่สิบพอเข้าเกียร์สี่มันก็ไปร้อยหกสิบสองร้อยกิโลได้ อันนี้ก็เป็นความละเอียดของจิตเวลาจิตสงบในระดับหนึ่งเช่นรูกประชานก็มีความสงบขั้นที่หนึ่งลูปประชานที่หนึ่งลูปประชานสองฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามถึงชานที่สีอันนี้ก็เรียกว่าลูปประชานสีแล้วพออกจากรูปประชานสี่ก็จะละเอียดก่อนนั่นเองเข้าไปสู่ลูกประชาอารูปประชานที่หนึ่งรูปประชาที่สไปถึงรูปประชาที่ส เราเลกจากนั้นไปก็ยังมีรายละเอียดตอนั้นอีกเรียกว่าสัญญาเวริตะนิโรธาสมาบัติอันนี้เป็นการละเอียดสุดๆเพราะว่าตอนนั้นขันห้าหยุดการทำงานคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้หยุดทา ง, งานรนไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณ แต่ในอรูปฌานการรูปฌานนี้ยังมีเวทนาสัญญาสังขารอยญญางแต่มีในระดับที่เบาลงไปตามลาดับของของระดับฌานคำว่าฌานก็หมายถึงแปลว่าเพ่ ง, เ พ, งเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้ใจสงบพอสงบก็เรียกว่าสมาธิสมาธิถ้าสบงบนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าสงบเพลงชื่วไม่ไม่นานไม่กี่วินาทีเล่นนาทีก็เรียกว่าคณิกะสมาธิส่วนสมาธิที่สงบแล้วไม่นิ่งไม่เฉยออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเรียกว่าอุปจารสมาธิเช่นไปรับรู้เรื่องเทวบุตรเทวดาไปสนทนากับเทวเทวดานี่ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิ เนเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาทั้งหลายนี่ทรงอยู่ในอุปจารสมาธิถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี่จะไม่รับจะไม่รับแขกจะปิดจะปิดประตูบ้านผู้ยังไงแต่ถ้าเข้าไปในบ้านแล้วเปิดประตูไว้แขกก็ยังเข้ามาหาได้หรือออกมาหาแขกได้ถ้าเป็นอัปปนาหรือเป็นทันติกะนี่มันจะไม่รับรู้อะไรเลย แต่ถ้าเป็นอุปจาระนี่มันจะออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องในโลกทิพย์ได้สัมผัสกับกายทิพย์ได้หรือสัมผัสกับอดีตสัมผัสกับอนาคตได้เราเลือชาติได้รู้อดีตนู้อนาคตหรือมีอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆจิตต้องอยู่ในระดับของอุปจาระสมาธิแต่อุปจาระสมาธินี้ มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่สนับสนนในการจเจริญวิตติยานะในการจเจริญปัญญาเพราะมันไม่มีกําลังที่จะสู้กับปัญหาความอยากสู้กับกิเลสความโลภได้เพราะมันไม่เป็นอุเบกขามันไม่นิ่งมันไม่เฉยเวลาอยู่ในอุปจารสมาธิสัมผัสอะไรที่ชอบก็ยังมีความสุขมีความดีใจมีความยินดีมีความโลด สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความกลัวได้มีความเกลียดความชังได้ดันั้นการเข้าในอุปจาระสมาธินี้จึงเป็นการเสียเวลาเหมือนกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพีย ง, งแต่แทนที่จะเอาร่างกายไปเที่ยวก็เอาจิตไปเที่ยวแทนไปเที่ยวในโลกของเทวดาไปเที่ยวสวรรค์ไปพบกับเทวดาลูกนั้นลูกนี้ไปพบกับ ดวงเงิญญงนยาดวงนั่นดวงนี้เช่นพระพุทธเจ้าก็ไปไปไปไปพบเทวดาเพียแต่ว่าท่านมีธรรมะแล้วท่านไม่หลงท่านไปเพื่อทำประโยชนท่านไปเพื่อสั่งสอนธรรมะแต่ถ้าจิตที่ยังไม่มีธรรมะถ้าไปก็ไปเพื่อกิเลสไปเพื่อความเพื่อเพลินไปเพื่อการลตัณหานี่ไปเพื่อไปดูรูปทิพย์ไปสัมผัสกลิ่นทิพย์เสียงทิพย์อะไรต่าง อย่างนี้จะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับการที่จะมาบาเพ็ญขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสนาหรือขั้นเจริญปัญญาพอออกจากสมาธิแล้วจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอสุภะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอนิจจังทึกขังขอณัตตาออกมาปักกิเลสมีกำลังเต็มที่ก็จะผักให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่อ ท, ทันทีจากโลกเสียงกลิ่นรสที่เป็นละเอียด คือรูปเสียงรูทิพเสียงทิพพอออกจากออกจากสมาธินั้นมาก็ให้แปหานุบหยาบเสียงหยาบทันทีไปเปิดทีวีดูไปเปิดอะไรฟังไปเปิดตู้เย็นหาอะไรดื่มหาอะไรรับประทานทันทีอย่างนั้นสมาธิแบบนั้นมันไม่มันไม่ได้ทําให้จิตใจอิ่มสงบเป็นอุเบก ข, ขาแต่ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ได้นานเท่าไหร่พอออกมานี่ยังอิ่ม ใจยังอิ่มยังสุขยังสบายไม่หิวกับอะไรตอนนั้นก็ออกมาเดินจงกลมพิจารณาอาสุภะได้พิจารณาอ น, นิจจังเกิดแก่เจ็บตายได้พิจารณาเ้ื่อยๆมันก็จะจำอยู่ในใจต่อไปมันก็จะไม่ลืมมันก็จะไม่หลงที่ให้พิจารณาที่เพว่ไม่ให้ลืมนค้นี้เองไม่ให้ลืมว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะมันไม่สวยไม่า แต่เรามักจะลืมเห็นร่างกายก็คิดว่าร่างกายจะอยู่ไปตลอดเห็นร่างกายก็คิดว่าสวยงามน่ารักน่าค้ายเพราเราลืมความจริงหรือว่าร่างกายมันจะต้องแก่เจ็บตายหรือว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟหรือว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยงามถูกต้อง มีส่วนที่ไม่สวยงาม น, นี้ถูกปกปิดหุ้ ม, ห, มห่อด้วยผิวหนังนี่เองถ้าผิวหนังนี่มันสายเป็นดา บ, บถุงปลาสะติกนี้ mm hmm. ก็คงจะไม่มีใครเห็นว่าร่างกายนี่สวยงามเพราะจะเห็นโครงกระดูกที่สร้างอยู่ใต้ผิวหนังจะเห็นอวัยวะต่างต่างที่มีอยู่ในผิวหนังอยู่ใต้ผิวหนังเว ล, ลาไปตลาดที่คนเขาเอาพวกเครื่องในของสนิสัยในถุงพลาสะติกแล้วิ้วไปเนี่ยก็เรานึกถึงคน ถ้าคนเราผิวมันบางแบบพ่อสติกมันก็จะเป็นแบบนั้นนักกายค่ะแลหญิงเราจะเลือกได้นะคะว่าจะเข้าไปอุปจาและสมาธิหรืได้ถ้ามันออกอุปจฏฐาแล้วเราก็ดึงมันกลับมาได้เราอย่าตามมันไปแต่เม่อเราพอเราเข้าไปอัปนาปปั้นแล้วมันเด้งออกมามันจะออกไปหาของเราก็ดึงมันกลับมาได้ดึงกลับมาสู่อุเบกขาวได้ใช้สติดึงกลับเข้ามาได้ แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนเราก็จะหลงเรียว่าไปอุปจาระนี่ดีสุดไปแล้วก็เจ็บเก่งตาทิพมีหูทิพอะไรต่างๆแต่ไม่รู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับกิเลสต่อการบรบรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านนาง น, นีาก็จะไม่มีใครมาเบกไม่มีใครมามาดึงว่าก็จะไปเท่าสวรรค์กันไป เห็นอะไรต่างๆกันเราก็กลับมาอวดกันมาเล่ากันว่าเราวิเศษนั่นเราวิเศษทีนี้กัแต่ถ้าไปพบกับครูบาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วท่านเห็นโทษของมันท่านก็จะเตือนทันทีท่านจะห้ามทันทีแต่ท่านห้ามเพียงชื่อชั่วขนาดที่เราปฏิบัติเพื่อเราเพื่อให้เราทากิจสําคัญให้เสร็จเท่านั้นเองสมมติว่าถ้าเราสามารถหลับเีเรได้หมดแล้วบรรลุเป็นผ้าลาแล้ว ทีนี้จะไปท่งเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ไปแบบไ ป, ไปด้วยความอยาดไม่ได้ไปด้วยกิเลสตัณหาเราไปเราก็ไปแบบมีสติปัญญาคุมไปแล้วก็อาจจะเอามาทาประโยชน์ได้เช่นไปสัมผัสรับรู้กับเทวดาก็สั่งสอนเทวดาไปก็จะมีเทวดามาหามาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอยู่ทุกคืนอย่างที่พระเจ้า มีเทวดามาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมทุกคืนหรือปู่มั่นก็มีเทวดามาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอยู่เป็นประจำแต่ก่อนที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องเสร็จงานเราก่อนก่อนที่จะไปสอนคนเรีนได้เราต้องบรรลุเราต้องเสร็จเราต้องเรียนจบด้านรับปริญญาก่อนอย่ามัวไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนจะลืมเข้าห้องเรียนเราจะเรียนไม่จบ แต่างคนเรียนราวไม่แปดปีเก้าปีก็ยังเรียนไม่จบเพราะไม่เข้าห้องเรียนกันไปทํางานไปทําธุรกิจไปทำอะไรกันเรียนให้มันจบก่อนจบแล้วท่านี้จะไปทําธุรกิจไปทําอะไรเม่เป็นปัญหานะแล้วไม่เป็นโทษกับกับใจแนละ้วเพราะสิ่งที่เป็นโทษกับใจมันถูกทำลายไปแล้วนะทำอะไรก็ทําเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น อย่าลงประเด็นเวลารับปฏิบัติเราต้องพุ่งเป้าไปสู่การบรลุมรรคผลนิพพานตั้งเข็มทิศไว้ตรงนั่นเลยถ้าจะให้ไปทางอื่นอย่าไปเพราะไม่เป็นประโยชน์จะทําทให้เสียเวลาหลงทางและอาจจะสูญโอกาสสูญเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ไปเพราะถ้าตายไปถ้ายังไม่บรรลุนี้ตายไปไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาเจอพระพุทธศาสนาอีก อาจจะต้องรอคิวยาวเป็นกลับเป็นกันเลยก็ได้ังนั้นตอนนี้ให้มุ่งไปสู่การสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานต้องมุ่งไปที่การภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็ต้องสงบนิ่งเป็นอุเบกขาสักแต่ก็รู้จิตเข้าสู่ความว่างไม่มีอะไรดังนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาส ม, มาธิ แล้วเข้าไปรับรู้เรื่องนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิฉาสมาธิ <c oughs> ถ้าออกทางนั้นก็ดึงกลับมาด้วยสติ <c oughs> ดึงให้กลับเข้ามาหาตัวอเว์เบกขาหาความดึง เ, เข้ามาหาความว่าดึงห้าเข้ามาหาตัวรู้อย่าไปตามดูสิ่งที่ปรากฏให้รู้ <c oughs> ถ้าเป็นทีวีก็ปิดเครื่องเสียเท <c oughs> านั้นเองใช้สติปิด ให้สติดึงกลับมาหรตัวรู้ให้สิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้มันก็จะหายไปแต่คนที่พาวนาะทุกคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เห็นท่านเล่าว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบริ่งสงบแล้วก็ว่างไปไม่มีปัญหาะไรพวกที่ออกไปรับรู้นี่เป็นส่วนน้อยแต่ก็เป็นพวกที่เป็นจิตผาดผนนี่นองเป็นจิตผาดผน ตัวนี้ต้องมีครูบาอจารย์คอยกำลกังคอยเตือนคอยสอนเม่ใฉะน้นเฉลิมนาเรนกับความผาดผุนของตอนความสามารถของตอนคิ่ว่าเป็นเป็นผลสำําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการภาวนาแต่เมื่อเบเทียบกับผลที่จะได้รับจากมรรคผลนิพพานแล้วเป็นเหมือนเศษ เ, เงินเศษทองไม่ใช่เป็นแค่เนินจินดา เหมือนกับรับผลนิพพานเนเวลาพาวนาะต้องพาวนาะให้จิตสงบนิ่งว่างเป็นโมเบคขาสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พาวนาต่อไปหรือว่าถ้ามันออกไปรับรู้อะไรก็ดินกลับเข้ามาหาตัวรู้หาความสงบหาความว่างอย่าตามไป แล้วพ อ, อ, อจากความสงบนาก็อยากไปทําภารกิจอย่างอื่นต่อออกมาก็มันจเจริญพันธัญญาเลยมาพิจารณาอนิจจามทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมต่างๆที่เรายังมีความผูกพันหรยังมีความติดขัดอยู่ยังรักยังชอบอยู่ยังขุยงอยู่ยังห่วงอยู่เราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจ่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่โทษไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดให้คิดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นราบยึดสารเสริญมไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกล็ดรบต่างๆที่เรากําลังยึดติดกันอยู่เนี่เราจะมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถสัมผั ส, สรือเสบรูปเสียงกล็ดลบทได้เช่นเวลาแก่ลงไปตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดี หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอามาเพิกเอามาพังเราไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้ามีความอยากอยากไปเทีย่ยวแต่ถ้าเราพิจรารณาล้วตับเงินได้ไม่ไปมีความอยากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปเทีย่ยวไปทําอะไรที่ความอยากจะให้ทําเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากจะทําแล้วอยู่เฉยๆอยู่ในสมาธิสบายกว่า อยู่ในความสงบสบายกว่าสุดมากกว่าเนีต้องพิจารณาไปตั้งแต่รากยอดสารเสริงรูปเสียงกินนัดแล้วก็เข้ามาที่รูปเวทนาสัญญาสังขาญ ญ, ญาแล้วก็เข้าไปในจิตมันมีอุปทานมีความอย า, อยากอยู่ในทุกทุกสิ่งทุกอยาก่างเราต้องไปตัดความอยากที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปด้วยปัญญาด้วยใจรั ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดเป็นตายักทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเสียรอดลาบยแลสลเสรไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารยัญญาณไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยภายในจิตเนี่ยเป็นตายรักทั้งหมดเวทนาให้มันเห็นว่าเป็นตายแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็จะไม่อยากได้ถ้ายังเห็นว่ามันสุขยังวิเยษอยู่มันก็ยังจะติดอยู่ทุกวันนี้ที่เราติดเพราะเราไปเห็นผิดเป็นชอบ เห็นส <ih unting> ิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคุณนั่นเองเราต้องใช้ใจรักเข้ามาแก้ความเห็นผิดนี้ถ้าเห็นง้อก็จะปล่อยวางจะไม่เกี่ยวข้องเลยเช่นยาเสพติดนี่คนที่ติดยาเสพติดนี่เขาเห็นว่าเป็นคุณพอถึงเสพเสร็จแล้วมีความสุข แต่คนที่มีปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเสพยาจะต้องทุกข์เวลาไม่ได้เสพแล้วก็จะต้องตายจากการเสพ ย, ย่างนี้เพราะย่างนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายเสพมากๆก็จะทําลายร่างกายทําให้ตาไปก่อนวัยที่ควรนี่คือปัญญาต้องเห็นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นเพราะเป็นคุณ เป็นสุขต้องเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงและเราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาไม่ได้สังเกตดูเวลาเราชอบอะไรเราลักอะไรเนี่เราจะมีความรู้สึกอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็ต้องมาวิตกกังวลไอ้เราถ้าเกิดเขาไม่อยู่ทำไหมพอไม่เห็นหน้าเห็นตากันเห็นเดียวก็ตกใจกลัวขึ้นมาเอะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่มีเขาไม่ยึติดกับเขาเราก็สบายเขาจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนอันไหนจะดีกว่ากันไม่มีกับมีอันไหนจะดีกว่าคนมีปัญญาก็จะรู้ว่าการไม่มีอะไรดีกว่ามไม่มีก็ไม่มีทุกข์ถ้ามีก็ต้องมีทุกข์หรือแม้จะมีความสุขขนาดไหนก็ตามก็ต้องมีทุกข์ตามมาอยู่ดีนี่คือเรื่องของตายลักเรื่องของการจเจริญปัญญา ต้องพิจารณาขนาดที่ออกจากสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้พิจารณาไม่ได้อย่าพิจารณาให้เนื่งให้นานที่สุดเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จกาลังของจิตชาร์จกาลังของอุเบกขาพอออกมาแล้วทีนี้ก็รีบพิจารณาเพราะกําลังของอุเบกขาเนี่มันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆเวลามาสัมผัสรับรู้เรื่องนั้นอย่างนี้น่าเดี๋ยว ใจเริ่มคิดตรงแต่งอุเบกขามันก็จะถึงทำลายกายเที่มและเทียมน้อยก่เลสก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นพ อ, อกิเลสมีกิเลสมากขึ้นก็พิจารณาไม่รู้เรื่องก่เลสจะชวนให้ไปดูด้านฟังนี่แทนตอนนั้นก็ต้องกรับเข้าไปในสมาธิหน่อยไปตัดกําลังของกิเลกหน่อยเวลาเข้าสมาธิกิเลสก็อ่อนกําลังลงไปอุเบกขาก็มีกําลังเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติก็ต้องกลับเข้าออกระหว่างสมาธิและปัญญาอย่างสม่ำเสมอสลับกันทำงานเหมือนกับเราทำงานที่ที่สำนักงานพอเราเหนื่อยเราก็กลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอนไปอาบน้ำอาบท่าไปรับประทานอาหารพอเต็มขึ้นมาเราก็ออกไปทำงานต่อถ้าทำงานทุกวันไม่มีพักผ่อนเราจะเอาไหเราจะมีกำลังที่ไหนมาทำงานทุกวันก็ต้องมีการพักผ่อน การเจริญวิปัสสนาการพิจารณาทางปัญญาก็ต้องมีการพักก่อนก็ทำมาพักในสมาธิในเวลาปฏิบัติแล้วนี่สมาธิกับปัญญานี้มันจะต้องสนับสนุนกันผัดกันทำงานไม่ใช่ว่าพอได้สมาธิแล้วก็ไม่ต้องมีสมาธิแล้วปัญญาอย่างเดียไม่ใช่แล้ายิ่งถ้าไม่มีสมาธิไปปัญญาอย่างเดียวยิ่งไม่เป็นปัญญาเอี่ยเป็นจินตนาการ เป็นสัญญาไม่ใช่เป็นความจริงตากิเลสไม่ได้รู้ว่าทุกแต่เลิกไม่ได้รู้ว่าดื่มโซดาแล้วเป็นทุกข์ก็ดื่มเลิกนึ่งไม่ได้เพราะไม่มีกาลังที่จะหยุดไม่มีอุบเบกขาแต่ถ้ามีสมาธินีเพอรู้ว่าอะไรไม่ดีปั๊หยุดได้เลยเลิกได้เลยกลับเข้าสู่ความสงบได้เลย อย่าลืมเรื่องสมาธิและปัญญาอย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งต้องสลับกันทํางานแต่ก่อนที่จะทําปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะได้สมาธิก็ต้องมีสติก่อนเราจะมีสติก็ต้องมีเสียงก่อนก่อนจะมีเสียงก็ต้องมีทางก่อนเราจะมีทางก็ต้องมีศรัทธาก่อนก่อนจะมีศรัทธาก็ต้องมีการฟังเทศความธรรมก่อน สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกื้อนอุนกันเราจึงต้องมาเริ่มต้นที่การฟังเทศคํามธรรมถ้าไม่ฟังธรรมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเราก็จะไม่มีศ ร, รัทธาพอเรารู้แล้วเราก็มีศ ร, รัทธารู้ว่าทำแล้วจะได้ผลอย่างนั้นนอย่างี้เราก็จะเกิดศ ร, รัทธาเกิดวิริยะขึ้นมาเราก็จะทําทานเพราะทำทานได้เราก็จะรักษาศีนได้เพราะเราจะไม่ชอบทบําบา คนชอบทำทางแตะไม่ชอบทำบาปพอรักษาสิ่งได้ก็อยากจะไปอยู่ที่สงบนะเพราะความสงบนี้มันมีความสุขมากกว่าความสุขจากสิ่งต่างๆก็จะไปเจริญสติได้นั่งสมาธิได้นั่ได้สมาธิก็ออกมาพัรนาปัญญาได้ได้ปัญญาก็ตัดกิเลสได้เห็นอริยศัจสี่เห็นทุกสมุทัยนี่รู้มาก พกิเลสพขึ้นมาแล้วก็ตัดได้เลยพอตัดไปตัดไปก็จะไม่มีเหลืออยู่จะไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ก็จบ mm hmm. จิตก็หลุดพ้นวุตส mm ิต hmm. ังบอมจาริยังก็ปรากฏขึ้นมาอ่าจิตในพอมจารย์ได้เส้นสุดลงแล้วไม่มีสิทธ์ไม่มีจิตที่ยิ่งกว่านี้จะต้องทําอีกต่อไป มีตกินแล้วนอนไปไปอนไปไม่ชอบเลยกินแล้วนอนแล้วสบายตาเนี่ทุกวันไม่ไดทำอะไรนแล้วนอนแล้วก็กินแล้วก็กลับไปนอนเด้๋ยวก็นอนต่อคนทีจะเรีนต่อไม่ต้องเรียต่อ ถ้าเขาคิดอย่างนั้นถูกเขาเขาก็มีปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้ายังทิ้งราชสมบัติที่เรายังไม่มีอะไรเราจะไปหาอะไรทำไมหามาเพื่อทิ้งไมหาไัา่ทำไมก็เราจบปัญญาแล้วเราไปเราไปทำงา น, นาที่ไงนนะแล้วเราจะปัญญาตีไหนเงินเนี่นย เราไม่ต้องมาทำงานแบบเจงเลยถ้าเจงถ้าตายได้กี่บาทต้องไปรับใช้เขาต้องรับคำสั่งจากเขาเราสั่งให้ไปไหนก็ต้องไปอยู่แล้วลองใต้ก็ต้องไปนี่พอมาบวชแล้วไม่มีใครสั่งเราได้ถ้าเราเป็นดวงวันสมาทานสมาี่อย่างเดียวนี่ไม่มีใครกล้ามาสั่งเ งานแอบรุมาหน่อยหนึงนะคะรุดไปไหนหรือว่าถ้าเสร็จติดแล้วก็ตอนนี้กินกินนอนนนตอนนี้เรากินกินนอนนอนมนกินนอนแบบแบบเสร็จจะไม่เสร็จเลยไม่เสร็จนี่มันก็กินนอนดับทุกข์อ่ะกินก็ทุกนอนก็ทุกแต่ถ้าเสร็จแล้วกินก็กินก็สุกนอนก็สุกไม่กินก็สุกไม่นอนก็สุก มันต่างกันตรงนี้ใจไม่ทุกกับอะไรพี่กินนอนก็ทําหน้าที่ของให้กับร่างกายไปเท่านี้ถ้าไม่มีกินก็อดทนไปก็อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ก็จบเท่านั้นเองไม่เดือดร้อนใจไม่เดือดร้อนกับการกินการนอนมีกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้มีนอนก็ได้ไม่มีนอนก็ได้แต่ถ้าใจยังมีความทุกข์อยู่มีกินก็ทุก กินมากไปก็ทุกนอนมากไปก็ทุกนอนไม่หลับก็ทุกกินไม่ได้ก็ทุกมันมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจทำอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดแต่ถ้ามีความสุขอยู่ภายในใจแล้วทำอะไรมันก็สุขไปหมดเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสุขของใจความสุขของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของร่างกายเป็นหลายร้อยเท่าเลย ถ้าใจสุดแล้วร่างกายทุกขมันความทุกของร่างกายนี้มันนิดเดียวไม่สามารถที่จะมาะดิด บ, บังความสุขของใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจทุกข์แล้วต่อให้ร่างกายมีทางสุขขนาดไหนก็ตาง ม, มันก็จะไม่มีความสุขว่าจะถูกความทุกข์ทางใจนี้นกรอบไปหมดมาเสษฐีมาจากพระพมีทางสุขขนาดไหนก็ตาม เวลาเจ็บไายได้ปวยเวลามีความทุกข์ใจขึ้นั้นเวลาไม่สบายใจขึ้นมาความสุขทางร่างกายนี้เหมือนมันถูกกบเป็นอยรเพื่อรับประทานอาหารงานเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานเฮฮาพอได้ข่าวไม่ดีขึ้นมาที่นั่นหายไม่หมดเลยความทุกข์้ความสุขที่น่าจากการเลี้ยงฉลองเยินได้ข่าวต้องสูญเสียสิ่งที่รักหรือคนที่รักไปเลย ความทุกในใจก็จะทําลายความสุขที่ได้จากการเฉลิมฉลองกันแในทางตรงกันข้ามถ้าใจสงบแล้วเนี่ยมไม่ว่าได้ข่าวว่าร่างกายจะต้องตายก็ไม่เดือดร้อนไปหาหมอหมอบอกว่าจะต้องตายภายในสามวันเจ็ดวันนี้ก็มันก็จะไม่เดือดร้อนมันก็เฉยเฉยก็ฟังไปอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่ตายก็อยู่คนนึงไปก่อนไปตีต้นก่อนไข้ท่าไหม เวลาตายมันก็แคบแป๊บเดียวเพียงไม่หายใจเท่านั้นมันก็จบนะวินาทีเดียวไม่ถึงเกยไม่ทันไปพอหยุดหายใจมันก็จบนะความส่วนความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความสุด ข, ของใจได้อยู่ร่างกายจะเจ็บขนาดไหนในขณะใกล้ตายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะความสุด ข, ของใจมันยิ่งใหญ่กว่าหลายร้อยเท่า ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ของร่างกายหลายเทาเนี่ยพระเจ้าเป็นตัด ว, ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าเรากำจัดความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ออกไปจากใจแล้วสร้างแต่ความสุขสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้อยู่ในใจแล้วความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรแลย เหมือเหมือนช้างกับกับหนูอย่างเนี้ยความเยี่งใหญ่มันต่างกันทัง้งทั้งจะไม่เดือดร้อนกับการเส้นแรงเป็นกาของหนูเลยหนูจะชมแล้วหนูจะด่าใทั้งไม่เดือดร้อนแต่หนูเดือดร้อนถ้าชา้างเต้นแรังเป็นกา <c oughs> พอใจเป็นทุกข์แล้วเนี่ยต่อให้ได้ถุกก็ตถุรีรางวันที่อื่นมันก็ดับความทุกข์ใจไมได้ ดนันเราต้องเอาใจเราแก้ปัญหาของใจดับไปจะมีอะไรไม่มีอะไรนี่ไม่เป็นปัญหาเลยแต่มีราบเนือสรลับแสงมีรูปเสียงเกิ่ลดมีหรือไม่มนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะจะถ้าใจมีความสุขแล้วใจไม่หิวไม่ไปสิ่งต่างๆถอยของกันแล้วกันนะที่เราเป็นผูห้หญิงจะไปปฏิบัติที่รู้สึกว่าคิดจะออกไป ถ้ผู้หญิงคนนึงเขาก็ทําได้เงศิษย์แทนไม่ใช่มาเจอพ่อเขาก็ไม่ต่างยังไงที่จะได้ที่จะได้กินอิสระกับตัวเองก็จปฏิบัติไปแล้วมันก็จะมีกำลังไปเองจะนีสติใหทํากถมีสติแล้วก็คุมใจได้แล้วมันจะไม่กลัวอะไรเพราะปัญหาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่อยู่ที่ร่างกาย ถ้าใจไม่กลัวแนละ้วไม่มีปัญหาไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าใจยังกลัวอยู่นี่านะต่อให้มีอะไรมากมาขนาดก็ไปไม่ได้อยู่ดีอยู่ที่สติตัวเดียวสติกบคุมใจได้แนละ้วก็ไปได้ควบคุมความกลัวได้ควบคุมความความกลัวกลัวอดกลัวอยากกลัวลำบากได้มันไปได้คือรู้สึกว่า สิ่งที่เป็นตังวลที่คือว่ามันเป็นรู้สึกว่าพอเจอได้ใจเห็นเป็นความยุ่นวายเลยใชหรือตัวเราเองอาจจะวุ่นวายติดใช่เราไม่มีสติ น, นะครับเนเราเห็นอะไรเราต้องวุ่นวายเป็อักสบที่เราเห็นเราไม่มีสติควบคุนใจถ้ามีคว ม, มีสติควบคุนใจเห็นอะไรก็จะเฉยเมื่อเดือดร้อน ม, ม, มีสติมีปัญญามันก็จะมาโลกในแงดี คนกอดฟังเทศหลวงปู่สิงห์แล้วทำงานไปด้วยแล้วตัวมันกลายเป็นกระดูกไปหมดแล้วอย่างนี้แล้วมันติดไปทั้งวันเลยะแล้วสติจะต้องรักษายังไงคะเพราะมันก็รู้อย่ตลอดนันคือให้เราใช้สิ่งที่เราเห็นนี้มาเป็นการเจริญปัญญาต่อไปเวลามองไทยก็มองให้เห็นกระดูกของเขาทุกคนเะลาเจอเฉียข้อเวลาเกิดการมาลงขึ้นมา เวลาอยากจะลุมหลับนอนกับใครนี้นต้องมองให้เห็นกระดูกของเขาแล้วก็จะดับความอยากร่วมหลับนอนได้ดับการมาองได้มันมีไว้เพื่อดับการมารงมีไว้เพื่อดับความกลัวความตายถ้าเราเห็นถ้าเรากลัวความตายให้นี้ถึงว่าต่อไปร่างกายเราก็จะกลายเป็นเศษกระดูกไปมันก็จะหายกลัวแล้วถ้าอยากจะลุมหลับนอนกับคนแล้วก็มองให้เห็นโครงกระดูกเขา เราก็ลองไปนอนกับโครงกันดูนะตอนที่เราเห็นใ น, นขณะที่เราปฏิบัตินี้ยังไม่เป็นประโยชน์เป็นเหมือนนั่อเราได้เครื่องมือมานําได้อาวุธมาเราต้องเอาไปใช้ต่อศัตรูศัตรูของเราก็คือก่เลสเช่นความกลัวความกลัวตายความอยากร่วมหลับนอนกับคนอื่นอย่างนี้เราต้องเอาถ้าพที่เราได้เห็นจากการนั่งสมาธินี้มาเป็นอาวุธ มันทำลายกิเลสอีกทีนตอนนี้ก็พยายามรักษาอาวุธนี้ไวใ้ให้ให้อยู่กับตัวเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เมื่อไหร่เวลาเราไปเจอเหารที่ทําให้เราเกิดความกลัวเราก็จะได้โตงได้เพราะอย่างมากก็กลายเป็นอย่างมากร่างกายนี้ใ น, นส่วนหนก็ต้องกลายเป็นเศษสระดุกหรือว่าไปเจอคนที่เราชอบเรารักเราก็บอกมันก็แค่โครงกระดูกเท่านั้นที่เรารักมันไม่มีอะไร หนังหุ้มโครงก็ดูกไว้มันก็จะดับความรักได้สิ่งที่เราเห็นในสมาธิยังไม่ได้เป็นผลอะไรเป็นเครื่องมือให้เราไปใช้ในการดับ ก, กิเลสเท่านั้นเองไม่ได้นั่งสมาธินั่งทำงานงานั่งทงานก็มีสมาธิได้ถ้าใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้ อจท่านจะฝึกใจ้องเบาถามถึงท่านจะไปถึงถามว่าสบายดีหรือเปแต่ท่านไม่ค่อยสบายท่านีานานนปัญหากี่สามก็เป็นหลายอย่างท่านี้นจาทุกเข า, าต า, <laughs> ไไาไม่ได้เป็นลราเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นไรก็ปล่อยมันเป็นไปเป็นเหมือนเครื่องอัดเสียงนี่มันจะเสียก็ปล่อยมันเสียไปซ่อมได้ก็ซ่อมทำไม่ได้ก็โยนทิ้งไปรางกายนี้ก็เหมือนเครื่องอัดเสียงเครื่องเครื่องเครื่องขยายเสียงดีๆนี่เห็นไมเนี่ยเสียงออกมาก็เป็นเครื่องขยายเข้ามาในหูมันก็เป็นเครื่องอัดเสียงเป็นเครื่องถ่ายรูปเห็นไหมเนี่ยนี่ท่านี้แหละร่างกายจะมีอะไร ไปไปหลงง้อเป็นตัวเราของเราพยายามจะเปลี่ยนขั้ น, น, นเปิีนอยู่เสมอว่าส่วนเสงธรรมไม่ใช่ดวงตาเรายาไ ป, าไปเปนี้ยไปติ้งทุกดวงตาอยู่ที่ธรรมะเลย <c oughs> ท่านอง์แทฉของดวงตาก็อยู่ที่คําสอนท่านบางทีเราก็ได้เข้าถึงดวงตาบางที ในหลวงแสงตาจะเกิดติเล่ขึ้นมาคิดถึงท่านแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึน้นมาแบบความว้าเวหวขึน้นมาแต่ฟังเทศ ฟ, ฟังทรรมนี่เหมือนท่านกระซิปอยู่ในใจเราอยู่ในหูเราตลอดเลยเราไม่ได้ฟังกันเปิดฟังเรื่อยทุกคืนทุกวันคิดถึงองตาก็เปิดเทศของท่านฟังสมัยนี้เรามีสิ่งที่อเอือต่อธรรมะเยอะแยะเช่นเครื่องอัดเสียงสมัยก่อนไม่มี อยากจะคิดถึงโอต้าเจ้าไี่ต้องจําแต่ทําที่ตอนนี้จำได้อยู่ในใจสมัยนี้เราจําไม่ได้เราก็ยังมีเครื่องเครื่องเติมความจําได้เปิดเปิดซีดีฟังก็ได้เปิดวีดีโอดูก็ได้อย่าไปหลงกับสถานที่มันสถานที่มันเป็เป็นเป็นเครื่องมือตัวที่เป็นตัวสําคัญก็เตือนตัวธรรมะเสียงธรรม ยังทำบางทรามอ่นหนังสือทรมากไปก็เหมือนการท่านไม่ได้จากเราไปอะไรนะสมควรแต่เวลาก็จะให้พอน ะ, <c oughs> อะ